แล้วลือกหาหนังสือสอนมันจะถูกต้องหรือขอฝากอาจารย์ใหญ่ไปด้วยเป็นก็คิดไม่จะสอนง่ายนะสอนจริงทำถ้าสอนเด็กเล็กเนี่ยไม่จะสอนง่ายนะสามารชิกจุดวิชาครูได้มาอันหนึ่งมาสมัยห้าสิบปีโน้นครูใหญ่ที่มักจะสอนท่านท่านเตรียมท่านเด็กเล็กครูนุ่มๆไปสอนชั้นปอถีกปห้าพอมาเป็นเด็กคิดว่าเอ๊ะครูใหญ่เนี่ยทาไม่ฮีความรู้ สอนปอขอขอขอครูใหญ่นี่แก่แล้วไม่มีความรู้นี่อาตมาเป็นเด็ดก เ, เข้าใจอย่างนั้นนะแล้วครูใหญ่ตายครูใหญ่อื่นมาได้ายมาอีกอันมากลเาลกเยนเนี่ยไม่มาเท้ายรละห้าพิเศษใจโบกเขียนสอนปอนหนึ่งนน เ, นเนี่ยสอนขั้นเตรียมขั้นมูลเอเรามานึกในใจเราอยู่ปอฟรีนี่ไอพวกครูแก่แก่นี่ไม่มีความรู้ ครูครัามาเป็นครูใหญ่สอนท่านมูลครูทอนสอเตรียมแล้วมันกจะถามครูเยื่ยนคนหนึ่งครูครับครูใหญ่เนี่ยสามคนเนี่ยผมมาอยู่ในตายหมดสามคนเนี่ผมมีบุญนะตั้งแต่เข้ามาเมื่อก่อนนี้ผมไม่ยังไม่เคยเรียนครูใหญ่เข้ายืนยืนนะตั้งจต่ผมเข้ามาเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยสามคนค<ร>ผมมีบุญไหยถามครูครูก็บอกเธอถ้าจะมีบุญตั้งแต่เธอเข้ามาครูใหญ่ตายเรื่อยเลย เลยจะมาต้องขอลาออก็ขืนอยู่ต่อไปครูใหญ่เขาจะต้องตาดแต่ไม่ลาออกก็ตายลาออกไปก็ตายเดี๋นี้ก็ตายหมดแล้วนี่เหนอยู่ห่ะนะได้ความเลยได้ความได้ความมาลูทีหลังอ๋อสอนเด็กเป็นไอ้สอนยากต้องใช้ครูใหญ่อารมณ์เย็นเยนครูหนุ่มครูสาวอารมณ์แฉวอารมณ์แฉว ไม่แจ๋วก็ต้องแจ๋วผู้สาวแต่ไม่ใช่ที่นี่นะผู้ที่นั่อารมณ์ร้อนอามรมณ์อนจริงหรือไม่จริงนะไม่จริงไม่ร้อนแล้วจ้ะก็เหตเข้ามานั่งกรรมฐ า, านเนี้ยอารมณ์เย็นลงไปแล้วค่ะแล้วอะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วค่ะที่ฉันเพิ่มเข้าใจวันนี้แล้วค่ะนี่พูดเอาเองตามเหตุผล เชื <c oughs> minha, ่อก so ็เชื่อไมาเชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะสอนเด็กไม่ใช่สอนหนักเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรต้องใจเย็นครูก็เด็กเพราะๆต้องทะเลาะเด็กด้วยครูหนุ่มครูสาวเขาถึงเอาไปขันไปสอนกั้นสูงๆซะเพราว่าปรียกราดหรือกเด็กเขาตายเรื่องจริงเอาแตมาดูครูใหญ่ๆ เอแกเอารมดีคุยก็เด็ดสนุกสนานนะครูนมวันนั้นครูใหญ่เขาป่วยไปห้าวันครูสาวคนหนึ่งไปสอนพอไปเอาก้านมายอมมาชนมายอมพระตายเลยไประบัดเลยแ อ, อ้อย่างนี้เองนี่จับตาราได้เลยนี่เพราะอย่างนี้เนี่ยใจร้อนสอนเด็กไม่ได้ถ้าสอนเด็กได้บ่าไอ้นี่ชอนเลิศเกินนี่นะทอนอายุ ค, ค่ะวันเราเป็นเด็กเนี่ยชนอย่างนี้ไหม ถ้าเรารู้ว่าเป็นเด็กมีจิตวิทยาชนอย่างนี้เราจะสอนเด็กได้ดีมากมีอันหนึ่งต่อมาถึงว่าอ๋อนี่ผู้เจ้าก็สอนมาเหมือนกันวอนเด็กเล็กนักเนี่ยเราต้องสอนด้วยแบบระบบในโลกตีด้วยแบบอย่างคนแก่เนี่ยอายุ ม, มากเนี่ยเขามีลูกมีหลานเป็นครูใหญ่เขาก็อารมณ์เย็นเขาก็ล้าลูกลกับหลานจึงให้สอนท่านนี้เป็นประธานทั้งพันคงจะชาเดี๋ยวนี้ครูใหญ่ไม่ต้องสอนใช่ไหมไม่ต้องสอนใช่ไหม พ อ, อก็ไม่ตงสอนใช่ไหมเก็ไปไประชุมบ่อยใช่ไหมไปชุมงานมากจรแล้วก็มีประชุมกลุ่มกันมากเข้าที่ทราบมาเดี๋ยวกลมนอนไปชุมกลุ่มนี่ไปชมเดี๋ยวก็เลือกสหกรณ์กันแจแล้วก็เดี๋ยวไปหาเสียงแล้วต้องทิ้งค่านะสหกรณ์แล้วก็มีเงินเข้าสหกรณ์ไปละหมื่นเขาหมื่นเขาว่ากันจริงไหมเออได้ข่าวแกไม่ทราบนะ อาตมาไม่ได้ไปครุกคลีนะคะแต่ครุกคลีทราบข่าวอยู่อยู่อันเดียวครูเข้ามานั่งคุยกันที่หน้ากุฏินี่เธอเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงสองแสนเนี่ยเป็นนี่สหกรไม่รู้สหาชทายที่ไหนอันนี้ได้ยินมาเนียได้ยินมาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเธอล่ะฉันก็เหมือนการส่งยังไม่หมดเลยแต่ละอาตมาก็ไม่รู้สะรอนมันอยู่ที่ไหน พ่อขออ้างอย่าง้าคอนอย่ไหน้าคอนครูมีนะที่แพร่มีกี่ร้อยลาอ้านจังหวัดสิงมีร้อยกัลนล้านทำามลครูเขาบอกอ๊้าต้องย้ายไปอยู่จังหวัดแพรามร้อยลา้านเพือเออขยิ้นสักปีได้ไหขยิ้นมาสักปีบอกครูหน่อย ขอดอกมาไว้ให้พวกเราได้ไหมเอาละตอบเองเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรจะไปดอกเลี้ยงเขายัางไงแค่กลนเขาจะไม่มีจะใครกันเลยนี่พูดเล่นแล้วจริงแด้วดุ๋ยสิอันนี้ก็พูดเล่นกันสนุกสนุกบะ <c oughs> ก็ให้แนวคิดนะนี่ก็ได้ความว่าให้แนวไปทุกอย่าง แต่นี้จะมาพูดถึงกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานนี่มีสองประก า, ารกรรมฐานเนี่ยเป็นหลักกลางกรรมฐานวิปัตตนากรรมฐานแต่ท่านคณนาจารย์อย่ากเข้าใจผิดคิดว่าเอาครูอาจารย์มานั่งกรรมฐานไปสวรนิพพานเพื่อหมดกิเลสแล้วตัดกิเลสออกไปไม่ใช่เป็นฉะนั้นเลยเรามาศึกษาเข้าวัดมาต้องมาศึกษา หาความรู้ให้แก่ตนประทานที่สองหาผลงานให้แก่ชีวิตให้แก่ชีวิตของเราแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเองที่มาครั้งนี้นั้นไม่ใช่มาอบรมหรือมาบ่มนิสัยเท่านั้นแต่ท่านทั้งหลายพนัางา์โปรดคิดในชีวิตของครอบครัวว่าเรามาสร้างบุญกันนะสร้างระลึกความดีและสร้างกุศลตั้งใจให้ดีไว้ท่านจะได้บุญกลับมาน เหมือนมาบําเพ็ญสิ่งเจริญกิจภาวนานี้ท่านจะได้บุญมหาศาลถ้าท่านคิดถูกต้องไม่ใช่คิดว่าข อ, ออนิลันขอ อ, อเฉี่ยมที่มาจะเป็นเจา้าปิดเจ้าการหรือประพัดเสงดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเขาก็เหนื่อยยากเลือเกินสมาเห็นแล้วท่านบุติยกรเนี่ยแม่ชริด็อกเตอร์ท่านก็ไม่มาคุณแม่วันนี้มาแทนพร้อมด้วยคณะเดิมโดมิเชียนด้วยเขา อ, อุตสาสีสละ เวลามีค่ามาที่นี่แล้วเราจะไม่เสียสละ บ, บ้างหรือการจะคิดประการใดผู้ที่สอนก็เต็มใจให้ทุกประการด้วยศรัทธาผู้จัดระบบงานนี้คือระบบพัฒนาบุคคลต้องการให้ทีนอทุกคนได้บุญได้กุศลพัฒนาให้ท่านไปสวรรค์นิพพานหรือพัฒนาท่านในดีเท่านั้นต้องการให้ท่านทั้งหลายนั่นน่ะอยู่เย็นเป็นสุข ราจะจากทุกแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขโดยทั่วนากันเท่านั้นนี่เหตุผลไม่ใช่อื่นใดแต่ประการใดแต่ท่านทั้งหลายบางกลุ่มอาจจะเข้าใจว่ามาทําำไมการไกลแต่จะไกลมาทําอะไรการก็อาจจะมีความคิดเห็นอย่างนั้นบ้าแต่โปรดพิจารณาใช่ใหมว่มามาขอให้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศล ถึงหากว่ามันไม่ได้อะไรท่านก็ต้องได้บุญถ้าท่างส้งางบุญสางกุศลถ้าต้องได้ไปอย่างแน่นอนไม่มากก็ น, อน้อยนี่อย่างหนึง่งขอให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความจริงจัจและทำด้วยเหตุผลข้ อ, ขอเท็จจริงข้างตนนี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านขออองคับหรือเลขาพิการสปรชให้มาอบรมเห็นเราเป็นคนไม่ดีหรืออย่าง เจนบังคับเรามาไม่ใช่บังคับเลยเชิญชวนให้ท่านมาสร้างความสุขให้ลูกครอบครัวท่านมีความเจริญและปฏิบัติกรรมฐานได้เป็นการสร้างบุญให้ท่านเกิดความสุขหนท่านจะร่ำรวยท่านจะสวยท่านจะดีท่านจะกลับไปมีปัญญาท่านจะมีหลักฐานท่านจะแก้ปัญหาท่านจะมีวิชาการให้ลูกท่าน ในนาคดแน่แนอนที่สุดเป็นของตายตัวอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนึง่งไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์ใหญ่หรือพออหรือเจ้าหน้าที่หรือครูเล็กครูน้อยไม่กล่าวขวัญกันแต่ประกันใดว่าบังคับมาไม่ใช่เลยนะตั้งใจเธอที่น้องทุกคนทหารก็เหมือนกันที่มาที่นี่ระดับร้อยเอกนะนี่จะเล่าประวัติท้าความหลังให้ฉันฟังสักเรื่องหนึ่งไม่ง่ายร้อยเอก เมาเนี่ยถือแป้มาเลยแผลที่อากุเตเรสมาก็ระดับอาทิบดีก็มีก็มานั่งคุยเขายังไม่รู้เขาเ ม, มามาก็ อ, อยากถือการเมาเข้ามาเลยเจร้อยเอเ็ดนะทหารนอดปลานนอดปลา น, น, ลานต้องกระสวกทีขันลานถือแป้มาอ๋อไอ์อนุสาสนอาจารย์อุทอรกลมานอยู่ที่ไหนไอ้ทหารมีหรือเอาทหารเข้าวัดมะ มีทหารเอาไปลบทหารถือปืนมีทหารจะมา น, นั่งในวัดจะไปสวรรค์นิพพานบ่าบอคอแตกไอ้อนุตรารจะอยู่ไหนวะให้คูติดคุกดีกว่าติคุกก็ดีกว่ามาวัดนี่พูดอย่างนี้จริงๆนี่ร้อยเอ็ดนะต่อมาก็บอกอนุตที่เฉยว่าเฉยว่ายิ้มไว้อย่างเดียวให้มันด่าให้โคด่าให้โคขโคให้ดาห่ใดาให้หมดคุงเดินไป เขาว่าอยู่ที่ไหนวะแม่เขาว่าเชิ้วแล้วเว้ยเชี่ยวแล้ว ว, ว้ยบ้านูจะเฉยพยิปตาลงอุตมิเออแม่นี่เธอเรียกลุงเลยเ อ, อลุงนี่ยังไม่แก่นะนูย้ยก็ค้าสี่สิบบาทยังไม่แก่ควรจะเรียกลุงอายุเจ็ดสิบปีบเด็กมันก็เขาะไม่ไหวเดี๋ยวไปอะไอผูกกององพันไปไอผูกติดคุกได้ไหม เราว่าคนนี้ี่ยเขาจะไล่ออกเลยเขาจะไล่ออกแล้วเนีเยออ่ยเราว่าละพิงเนี่ยี่ราชการของเขาหายเลยอาตมาอุตส่าห์พร้องไว้บอกมาปฏิบัติธรรมเผื่อเขาจะดีขึ้นมาลูกเขาไล่ขดลูกไล่ขดนี่เรื่องจริงที่วันนี้บาปราจาย์ล้านหมดเอ้าไม่ว่ากันพอไปรับข่าวเสร็จเรียบร้อยเสียเข้าที่เข้าทางก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละแบบเดียวนะสติประสามสี บาดตายไปดีบาดตายเงียบตายคนนั้นหายไปเลยวันที่สี่ที่ห้าเด็กมันก็ลอ่อรุ่งคนวันนั้นไปไหนลนะมันไปบ้านแล้วมันกลับบ้านมาแล้วเอคนวันนั้นหนีไปแสลงหนีไปแล้วหนีไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นพันเอกเลยนะเป็นพันเเนี่ยสรุปให้สัน้นๆมาใหม่ๆก็อย่างเงี้ยดาโคตรโทรคนแม่เฟิรมวะแล้วก็สมาบอกนี่ผู้กองเนี่ยสมารนี่ามามจาวา เออให้วางึงไม่วางก็ช่าแม่ ม, า <S <S มันนะววางนี้เลยเชื่อเลยเราก็ต้องนิ่งสิเขาแรงมาก็ต้องนิ่งสินะลมมาลาลันแรงเราก็ต้องเป็นต้นแขนต้นโพงต้องอ่อนลงไปอ่อนลงไปขอดาอ่ายังไงเราก็นอนชใช่ไห้ลมมันพาดไปเนาะพอมันไปแล้วเราก็ตั้งตัวใหม่ก็มันตั้งขึ้นมาได้มันต้นแขนต้นโพงเนาะเอาต้นไม้ไปดูหักเลยนะอะ มนาจะเาว่าเทนั้นเนี่ยตำรวจเทนั่นจับมันมาเรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนาเข้ามีเรื่องการใครเสียเราเสียเขาไม่เสียหรอกเป็นทานาเนี่ย่าเถือกไปด่าเขาแล้วใช่ขอฝาคณาจารยเลยเถือกไปเป็นผู้เผชิญสาสาหัวเมียทะเลาะกันนะผิดทั้งคู่ใครไปสอบสวนคุณงูใครสอบสวนเสียกระดาษง้อ พระคละการเจ้าพะนะอำเภอโง่เจ้าพะนาตะตบนโง่อายานมาเอาอ น, นี้มหแเจกเขาเอาสมมติไห่ดาเขาไปสอบคุณทาไมลองตาทาไมเจคเาัาก็ไอ้นั่นมันมันด่าผมแล้วตอบช่วว่าผิดจังคู่ไหมก็ไปสอบสัวนว่เสียกระดาษทาไมวิธีการก็ให้ดีกันซะคะแดนเอาบัตรละกายกรรมังมโนกรรมังว่าไ โยโทโซอวะโทได้ความเี่ยนได้พฤติกรรมกันแล้วเลิกกันไปเท่านี้ไม่ง่ายเราหน้าเพ้อโง่ก็พยายามมีนแต่แลวนั่นด่าเขาพยายามมีไหมเพราะอยากไอสกนี่พะด่าได้เลยพระด่าได้ไม่โ้บหญนะไม่ได้เลก็มาสองวันนี้ด่าได้ล่ะถ้ามีปากฮะแล้นั่นไม่เตะเขาล่ะก็ไรฮน ตอบไม่ใช่ตอบไม่เข้าสเปคถ้าท่านมีเท้าตอบอย่างนี้ใช่ทไมพาจนไปเต่เท้าถ้าท่านมีเท้านี่มันก็เต่ได้ใช่ไหมทำมาไรทําเหมือนพระพุทธผมผ้าไว้เหมือนพระพุทธเน่จะมาไปเจอผ้าออกนะจะบอกให้นะจะมาดูตัวอย่างงานเลยเจอผ้าออกเหมือนพุงทุยเสดวบู๋โบ๋หรอ ฟังนี่แล้ววันนี้จะเลิกกันต่อเมื่อพระพุทธหายใจนะให้ท้านอยู่ใจแล้วก็เลิกวันนี้นะมาอยูอ่ใจอย่าเลิกก็ได้นะฟังนี่สิตพระดีเนี่ยประประประทานเนี่ยจิตเป็นประทานกรรมฐานเป็นพระดีอยู่ในโบสถ์พระไม่โกรธอยู่ในสระนี่กรรมฐานพะระตะกร้อยู่บนกุฏิ นี่พูดเรื่องจริงพระดีอยู่ในโบสถ์อุโบสถกรรมฐานตั้งสติาฐานสี่เป็นพระดีนเนี่ยในี่ยใจสดถ้าไม่โกรธอยู่ในสระมีน้ําใจมีสติสัมปชัญญะมีน้ําใสใจจริงอยู่ทุกสิ่งในน้ําใจจะไม่โกรธอยู่ในสระน้ำน้ําเย็นใจเย็นไม่โกรธคลายใช่ไหมจ๊ะ จะพระตะกาอยู่ที่ไหนเอาตมาด้วยแต่วันนี้ตกะกร้าไม่มาสองท้อนเอาในเรื่องจริงพูดกันให้มันเห็นนซิเห็นไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรถ้านางเจริญกรรมฐ า, านแล้วเป็นประธานได้จะไม่มีที่สี่ที่หนึ่งไม่ขี่เกียจไม่เรียงงานสองไม่ขี้อก สามไม่ขี้ขาสี่ไม่ขี้ลิสยาออกมาในรูปแบบนี้นะ่ทำไมออกในรูปแบบนี้ผิดสเปคผิดช่องทีวีเละเข้าช่องพิดนี่มีให้พนะ้นถ้า้ายอยากเป็นเศรษฐีไม่รวยก็กันใช่สามที่เป็นเศรษฐีได้แต่ไม่รวยแต่มีสามที่อะไรเอยเราไปขอเ ด, ดกตอบสัมภาษณนะ์่ะ ไม่รวยจะเป็นเศรษฐีได้ไม่รวยจะเป็นเศรษฐีได้ต้องมีสามที่อะไรเอ่ยเอาละไม่ต้องตอบเพราะว่ากำลังชํำรวมอารมณ์กรรมฐาน<ม>เป็นเศรษฐีนะั่นเงนึ่งที่งกสองที่ตื้อสี่ที่ขอเอามาเช็ด งกทำงานใครจะว่าขยันไม่ช่างอะไรงกเออตพอออนี้ล้า น, นงกจังอย่าไปฟังอ่าฟังเขามีวสามารถก็ต้องงกหน่อยสิงกงกนี่ขยันนีู่้เล่นนะมันจะจริงบ้างก็ไม่ว่ากัา น, น, นก ต, ต้องงกเลขยนเนี่ยเขาเรียกว่างกขี้ื้ออเตื้อกัไหมตือกัไมออ ไ, ไม่เป็ออไนไรเนอไม่เป็ออไนไรเนะไม่เป็นไรนเชียเขาบอกก็ตื้อไปขอขอวันนี้ไม่หายตรงนี้ขอ ตรงนี้ขอไม่ยายมือรนขออีกยกตัวอย่างให้เห็นนายอำเภอพรมบุรีมาขอเข้าทาถนนต้องบอกนายอำเภอเอาสามขี่ไปถ้าจะไปโอ๋อมโนนาฬิกาถวายที่ดินเดินเถอะนะไม่ได้ทยอนไม่ได้๋พรอนคุณป้าครับคุณลวงครับผมเป็นนายอำเภอพรมบุรีครับขอถนนรับวานะครับขอรั่วไปสนนนะครับไม่ได้๋พรอนต้องขต้องใช้สามขี่นี้ ถึงําแขมัดงกเข้าไปไปทุกวันเลยข้าวเขไปเย็นไปไปทุกวันเออทุกวันซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปขอมันทุกวันดูที่ไม่ให้ให้โลไปใชได้เลยเนี่ยได้เลยได้ยังไงซือเข้าไปซื้อเข้าไปไอไอไอหัวเขาก็นัดเขาบอกขอต้นเงาในเพื่อขอต้นเงาสองต้นวาเดียวลุงวาเดียวผมก็ไม่ได้เดินแล้ว มาเดินเดินเราเดี๋ยวผมก็ย้ไปนะไวไ้ยวัยลุงเดินอ้าเฮไอ้ดาเพอหาอะไรขอแม่เมื่อยเลยขอเขาไปขอเข้าไปยูทีจะให้ไหมเอาเไปเข้าไปงกเขาวัยไปเมยเลยเขายังไม่ได้กินข้าวเลยไปจะแล้วหมาก็ดุซะด้วยสิหมาก็ดุลงคับลงคับผมมาคับเฮไอหานี้หมาต้องสีสเยเที่รว้อ่ามาเด็ตกลงก็มาคุยที่นี่ เย็นใจใหม่เย็นใจใหม่อารมณ์ดีเข้าไงกลงครับลงครับไอ้หาไมอีกแล้วแม่เมไปเลยให้แม่มาเลยให้แม่มาเลยได้เลยได้เลยไปหมายหายดูหมาจะให้หานี่หมาต้องสายชื่อจริงวิ้วไอ้แม่มาเลยไอ้แม่มเยบอกให้เมียไปให้เลยบอกเอาเร่ม่เจ้กี่ว่าไปเอาเข้าไปนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยอย่าเพิอพร้อมนี่อเพิอพร้ม ได้ไม่อะได้นี่ต้องใช้แบบนี้แ้่ใช่อีกครั้งเมทันนางเ ม, างเมตาคุณนางขอให้ขอให้ที่ไม่ใหญ่ผลหรอกาใช้คนอย่างนี้ต้องสามที่นี่นะมันคนลทโรบายขอฝากไว้ตองใช้อย่างนี้กองใช้บินาบาตแบบพระอย่างนี้ยบินาบาตในสุดในเพอฉลาดฉลาดมากในเพอฉลาดที่สุดเกาเอาตําลางเราไปใช้ฉลาดยังไง เอาให้แล right, ้วไปสำงานหรือเราก็ไปทำนดโดยจิตกรรมโดยที่แกไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แน่นอนที่สุดถ้าทำตามที่ครูสอนทุกประการแนวเห็นก็กำหนดเขียนก็กำหนดปริงก็กำหนดจิตนีน่มาพัฒนาที่สติธรรมชัญญาไปพนวกบวกที่จิตที่มันเกิดขึ้นทางอนานิชชาอินทรีดังกล่าวแล้วนี่ทุกประการนี่บอกเหตุผลแล้วก็กาหนดเขา เราจะรู้นายเลยหนึ่งกรรมฐานลึกลึกชาะ่ะเรานึกถึงตัวเองได้ทามรวมข้อมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ปิดสัมชัญญยมันจะบอกว่านี่ลึกลึกถึงตัวเองลนะเราต้องสารตัวเองขึ้นไม่น่าจะไปเดิมสุราไม่ไม่น่าจะไปเล่นตามทางนานอวบยมุกหาความสนุกในสังคมมันจะบอกตัวเองมิใช่คนอื่นมาบอกเราถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจทําด้วยเหตุผมนะแล้วตั้งใจอยู่สภาจริงๆเนะี้ ตัวท่านจะบอกตัวท่านเองไม่ใช่คนอื่นบอกรับขันผุดขึ้นมาคือภาวนาภาวนาคือมันสายสะอาดผุดขึ้นมาในดวงใจของท่านเองเป็นปัจจัยตังเวทีสาวโพวิญญูทีรู้ได้จาพพอตัวของท่านเองคนอื่นหาได้รู้ไหมเท่านั้นเองนะพอรู้เองแล้วท่านจะเข้าใจเองเรามึกภาพได้อย่างนี้ทีประการที่สองเรามึดถึงบุปผาลีได้เราไม่ลืมพ่อลืมแม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วไม่ลืมคุณครบูบาอาจารย์ที่สอนวิชาการให้ จะไม่ลืมพระคุณของผู้ให้ความดีมีปัญญาจะไม่ลืมผู้มาถามบังลุงดีเหตุผลที่กล่าวมาทุกประการนอกเหนือจากนั้นจะรู้กฎเหตุกรรมของตัวเองได้ว่าตัวเองพลาดทำอะไรไว้ไมนจะบอกออกมาได้ว่ากรรมนี้เป็นประการใดประการที่สามปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านจะแก้ได้ทุกประการไม่จําเป็นไปแก้วันช่วงนี้มาลืนนี้แล้วไม่ามจาเป็นต้องปึกษา ห, าหาหรือใครท่านเอาหลวงพ่อสติธรรมาัญญะมาวันิจญ่ใจเชีย ฉันจะปรึกษาสติคือมิเพขโหรลาอยู่ในสุวรรณในสัตถาได้คือตรงนี้ประการ น, นึ่ง่ันจะได้กําหนดคิดหนอคือลิ้นเตลู่หนอเป็นต้องเสียใจหนอกาหนดให้หายถ้าไม่หายจะฝากความเสียใจพังไว้ฉันจะเสียใจในโอกาสหน้าต่อไปอีกเสียใจเรื่อยๆไม่รู้จักจะหายจะหยุดย่อนก็สักทีกำหนดได้มาได้ความเสียใจหาเหตุผลได้ก็กําหนดเสียใจหนอนี่เป็นสรรมชา กำหนดไยเสียใจหนอเสียใจหนอนี่ยึดจากความเสียใจหาเหตุคืออันยาตรัสีทุกสมุทยมัยในโรดมะไม่ต้องอธิบายท่านเข้าใจแล้วคือทุกขหาเหตุที่มาของทุกพอหาได้มาแล้วสมุทัยก็แจงชัดในโลดก็แจงชัดเ จ, จ, จ็ใจปัญญาก็าเกิดมาแก้ปัญหาหวอทุกอย่างนี้ต้องแก้อย่างนั้นทุกอย่างนั้นต้องแก่อย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะออกมาในล็อกนี้ทันทีนี่หล่อรอีแจมละทังได้นี่เหตุผล มันจะออกมาแก้ปัญหาจะพอหนาได้เราทํำไมจะรู้กฎแห่งกรรมได้ก็ขอเสนอเนี่ยเรจะเดิพนพรต่อไปว่าเรารวมสติวัดเราเลื่อยเสมอ ค, อคือความดีที่กล่าวไว้ข้างต้นเราลึกแต่ความดีและความชั่วมันนี้อยู่คือกรรมมันจะแจ้งพัดออกมาเลยมันจะทับตารมบางไฟจะได้รู้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้ยกตัวอย่างมาเป็นต้นว่าอีกวันที่คือพจุลาเพียงสีผ้าของในเด็ดรถกระทนกอหากตาใครเป็นคนบอก หมอดูเหลือไม่มชาติสติที่สะสมไว้มันจะถึงเวรตามที่เราจะต้องตายในวันที่14ตุลาเที่ยง15 ห, หมดอายุแล้วตายโดยวิธีดายสั ม, มชัญญาปรพะพันธ์มันจะออกคอมพิวเตอร์เตี๊ยมาว่ารดท น, ทนขั้นพอหากตายตายแน่แน่ไม่มีวันกลับมาอันนี้จะมาประจดไว้แล้วก็บอกลาเขาหยุดรอแล้วเป็นความจริงที่ผ่านแล้ทุกประการเอาอะไรมาเป็นคำนวณก็สติที่จะกําหนดสะสมไว้ แต่ท่านก็ไม่สามารถจะทราบว่าสติส ร, รมัจจัญญาที่มากำหนดน้องๆในแหน น, นี้มันมีปัญญาแหละไม่ใช่อย่างนั้นสะสมวิทย์ข้อมูลท่านเวลามีทุกข์มาใดจาเป็นขึ้นมามันจะออกมาแก้สิ่งนีคือปัญญาหลอกลู้ในกองการสังขารเราจะช่างคือมาดูตะทูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดแล้วเพราสวรรค์นี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมันจะรู้เองต่อไปหลังไม่ใช่คนอื่นมาบอกเล่าสารสาวพระมาเทศกร้อยการท่านก็ไม่รู้แน่ ถ้าท่านรู้เองนะขอจะเจริญพรท่านจะแก้ปัญหาของตัวเองเราเป็นคนสร้างกรรมาจะให้คนอื่นแก้ปัญหาให้ใช่ก็ไรอยู่ขอประทานโทษมีคนไปเกะท่านไปเกะหัวท่านแลาไปสอบท่านแล้วไปเฉียดท่านเช่นนี้ปปอับปีจังไรแย่แล้วไปวานอธิ บ, บดีหรือไปวานท่านเลขาธิการมาขอโทษหรือวานรัฐมนตรีมาขอโทษท่านจะให้ไหม คนจะให้คนทำเราเจ็บทำน้ำใจมาขอโทษขอประทานโทษส่วสภยัยแล้วก็มาขอโหิกรรมกับเรานั่นแหละอาจจะเป็นได้เรียกว่าโหิกรรมนี่เห็นชัดนี่เป็นกฎแห่งกรรมเราจะรู้หน้าจากการกรรมฐานกรมาประสบมาหกหลายในตัวเองเนะอย่าลืมอย่าลืมกรตามาไม่เชื่อพระต้องมาเป็นพระตัดตัดชีวิตมากมายหลายประการตั้งมาเป็นพระเปลียนชาติฉุด ยายเอข้าหนมขอเอาวแปงกไปถวายพนระอตาตมานี่เองดูชั้นมาตรงสามเที่ทยวไปแล้วเจอเพื่อนเจอก็เอาไปกินกนะันซะข้อเรื่องอะไรไปให้พระมันเดชะหาธรรม迦นี่พูดอย่างนั้นจริงจริงพูดไปเซนเด็ดเพราะเราไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่ประการใดนี่เหตุผลแล้วย า, จ า, กกายจับได้กบเส้นเนตะาเขา้าลุกเข้มพอไม่เชื่อเย็ดต่อไปรับจางกลมเตาคนแก่เขาจะจากินเล่ากัน กอมตาวแล้วก็มอคอมันแตกไฟดูเสี้ยวเองตามตามสนองเราหรือไม่แต่การใดเพราะเราไม่เชื่ออยู่แล้วขาดารชวิตขาเปิดฆ่าตายสูตจีิงที่ก็ต้องไปเชื่อให้อัแปรเ้าเขาจะสูตจีิการไปซ่อนไปเชื่อสายจงมีแล้วก็หลวกน้ําน้อนแล้วมันยังเสือกบินขึ้นมาขันถานี่เอกพอขันเสร็จแล้วเอาแปะตายเลยเลือดระออกมาทางปากทางทางหูเส้นประสาทแตกตายในอับแปะ ลุงของอาตมาเข้ามาได้เขาเป็นสามีของป้านี่เหตุผลจะกล่าวมาแล้วยังดูตัวเราเท่า น, นั้นเดีย๋ยวขอฝากไว้ขอฝากไว้ว่ า, ยวาอย่าไปคิดว่าจำไม่มีเลยกรรมฐานเนี่ยเป็นบทประเมินผลชีวิตของจำดีที่สุดสถ้าท่านจเจริญกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะได้สะสมข้อมูลมันจะตีออกมาว่าท่านจะต้องตายท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นรถจะชนมาก เดี๋ยวจะเป็นยังไงผ่านจะได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาชีพเก่าก็มาใช้นี่จะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหามันจะได้เบาลงไปแต่เราทราบความนี่ให้อภัยกันได้หรือรับสารภาพด้วยคิดด้วยเราความผิดที่เรามีอยู่ในใจจะไม่โกงตัวเองจะไม่หลงตัวเองแล้วเราจะต้องรับตัวเองว่าเราผิดแล้วแล้วเราจะไม่ทําต่อไปแล้วณะบัด น, นี้น่ะรับรองคำใหม่ฉันจะไม่มีเลยนะเหมือนเราขยิมเงินก็มาลอยบาท เอาไปใช้เขาหมดแล้วเราจะไม่ค่อยยืมใครอย่าถ้ า, ากว่าเราก็ยยืมเขามาลอยบาทรเรามาสร้างความดีให้เขาแผ่เมตตาเขาเขาอาจจะลดขัดส่วนให้เราโดยไม่ต้องเสียดอกนะข้าวเราจะไม่เอาออกไม่ต้องรับทุนคือไม่ต้องใช้ทุนเขาก็ได้ก็ราะโหติดรจำกันได้โดยวิถีบุญแต่บางคนไม่สืบต่อให้ลึกก็จะไม่ทราบความนี้แกประการใดขอท่านอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยอาตมาเนี่ยประสบมาตามมาถามนี่แกทําได้ แค่ทําได้อย่างแน่นอนแค่ยังไงขอท่านฟังต่อไปสักเล็กน้อยถึงก็ดึกหน่อยก็ไม่เป็นไระมาเนี่ยก็ะว่างมาทุกคืนแล้วประว่างมาทุกคืนไม่เป็นไรวันนี้ก็สันข้าวมาสองคำไม่มากมายบุคคาวันนี้ดีใจเห็นโยอมสวยๆเย็นนี้เลยไม่สันข้าวเลยยิ้เรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยบอกเขาไม่ได้ ของใครของมันจะรู้เองที่ว่าโหดจิตกรรมนั้นเจตนาพูดใายเซ็นไว้ตวดมนต์เป็นนิรอธิษฐานจิตจินประจําำโหดจิกรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาได้ผลถ้าเราโหดจิตกรรมใครไม่ได้ยังผูกความโกรดอยู่แผ่เมตตาไม่ออกนะจิตมันหดรับรองไม่ได้ผลอย่าไปแผ่เลยออกไม่ไม่ออกจิตมันหดหมดเลยใจอยากเลจะแผ่เลยทายได้ต้องจิตคล่อมชืดเบิกบานเนสร็จก่อนอโหดิตกรรมก่อนจะโกรธกันนะ อย่าผูกใจเจ็บใครเลยให้อภัยอย่าโทษกันแล้วแผ่เมตตาได้ผลต่อเป็นหนังสือได้ตอเป็นหนังสือได้ด้วยแต่การแผ่เมตตานี้นะมีหลักฐานขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นการนั่งจเจริญก็มาถามสะสมหน่วยกิจไหมท่านจะรู้เองผิดท่านก็เย็นลงไปสบายสงบจะจะไึกชาดะถ้าคนใจร้อนใจร้อนขุนเขียวทุนฐานกันนี้ จะคิดไม่ออกนะจะไม่มีสติคิดเลยเช่นลูกกระจาหายการจะดาลูกดาเมียดาผัวอะไรก็ตามถ้าจะไม่พบถ้าท่านไปนั่งเฉยๆอารมณ์เย็นๆลมพัดชายขาวและทํำใจสบายท่านจะนึกลูกกระจได้อยู่ที่ไหนนี่จะเห็นพัดเปิดตาเสียบเทียบเรามีสติกับมัจจัญญาโดยการกําหนดกรรมฐานเช่นดังกล่าวแล้วทําไมเราจะคิดไม่ออกแล้วใจเย็นๆ บรามว่าใจเย็นๆลูกเอ๋ยอย่าใจร้อนนะใจร้อนน่มันไม่ดีหรอกจะบอกให้เราเชื่อบันดิตตอนใจเย็นเชื่ออัตพานใจร้อนเช่นนี้เราจะเสียงานเสียสุกเสียการด้วยของตอนที่บอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นกดแห่งกรรมนี้จะรู้แน่แก่กรรมก็ได้เราจะพูดถึงอดแปลวดานตามแปลวธรรมแล้วว่าทำอย่างไรมันต้องดันไปทางนั้น ทำดีก็ดันไปทางดีทำชั่วก็ดันไปทางชั่วเป็นสายตัวอยู่แล้วเป็นแาวสามตัวอยู่แล้วเป็นต้อนทำชั่วให้ดีถูกต้องแล้วดีแล้วไปทำให้มันเก็นเสียเป็นชั่วไปมันเกินดีก็แล้วมันก็ชั่วดะเพราะฉะนั้นทำที่ใจชั่วมันชั่วตรงไหนต้องขัดตรงนั้นขัดตรงนั้นให้มันสวยงามมันชั่วตรงนี้ต้องทำให้มันดีขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยเรียกว่าทำชั่วดีดีแน่แ่ ทำดีได้ทั่วเพราะจากนี้เองมันทั่วตรงไหนมันขาดตก บ, บกพร่องประการใดก็ทําตรงนั้นเราอย่าทําทั้งหมดตั้งสติไว้ตัวกําหนดนี้เองแล้มาชันญะรู้ตัวรู้ทั่วไว้ทําไมเดินจงกลมก็ต้องเดินให้มีสติช้าเพื่อหวัดเสียเพื่อดัามีความหมายมากอย่างนี้เป็นต้นเรา เ, เกิดมาทําไมเนี่ยเกิดมาใช้เวรใจตามสร้างที่เขาทั้งนั้นไม่มีโอกาสอื่น เกิดมาสร้างความดีใช่ยี่ค้อยหมดไปในเรื่องกรรมของเราทางนี้เราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายหนี้คุณครูคบ า, าอาจารย์เยอะแยะหนี้ผู้พระคุณทั้งหลายไอ้นี่เงินทองที่เราไปเขายืมเข้ามาเนี่ยใช้ก็หมดเรื่องไปแต่หนี้บุญคุณไม่มีหมดขอฝากั่านทั้งหลายไว้ด้วยนั่นกรรมาฐานจะรู้เองเจอมลึกถึงผู้มีบุญคุณมีบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปสมบทุลังมาเป็นเด็กเราจะมลึกได้หมดเลยในเมื่อมีความดีเช่นนี้ ถาเราใจสูงสานทันแล่นจะนึกไม่ออกถ้าใจเย็นลงไปช้าเพื่อไหวช้าไปแล้วเพื่อเราวิ่งไปฉาไหนสติมันจะดีดีขึ้นต้องการฝึกให้ช้าอย่างมี้เป็นต้นเสียเพื่อได้ไม่ใช่เสียเพื่อไปสูญเสียเพื่อได้บุญและกุศลเสียเพื่อได้ช้าเพื่อไหวท่านไปคิดเอาเอได้แล้วมีเหตุผลที่มาฟังดังนี้วัจนกรรมนี่สาคัญมาก เราละเมิดได้แล้วเราก็จะมีวิจัยออกมาว่ามนุษย์นี่คือคุณสมบัติถึงห้าที่ท่านเป็นเล่นเรื่องชักเครื่องรางของขลังเป็นจักรพาทีห้าถ้าใครมีเป็นอยากพาชี่ห้าบนนั่นรวยมหาศาลมีพ่อคสมบัติมากที่เขาล่ําลือกันนะที่อาตมาได้ยินมามีพระสมเด็จมีมีพระผงสุพรรณมีพระกำแหน่พรมกอเศษที ว่ากันไปตามหน้าที่ของเบญญาภาชีหรือมีพลอดมีอายรก็ตาแต่เธอะแต่ตามมาสแาปลนั่นฟังเบญญาคาภาชีก็มีสิ่งห้าพระสมเด็จคือมีไม่คาสัตแม่ตามหายยมชัดเจนของรูปภัณฑ์ไม่เบียดเบียนสับบอกไวชัดส้มกอก็อยู่ในกอของตอน วงวาวเผากอเป็นสงไหนวงเทวันสำเร็เดวาไม่มีชู้สาวกับใครบอกไว้ชัดเจนเดินพ่อเดินเดินพ่อเดินก้าวหน้าก็เดินเศรษฐีในใจอย่าเล่นใบมันบกเดินก็เดินก้าวหน้าออกไปคือขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบขอบรอบระวังตั้งใจตรงตรงจริงทมน้ำฐานให้ถูกโกรตีนและมีชอบระกอบผู้สล้า พระก้าวคือเศรษฐีก้าเรื่อยไปเป็นเศรษฐีเนี่ยสําคัญนก้าวถอยหลังก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรเป็นตอดนม่ได้ผลหลอดปลอดภัยไม่เดิมทุลายา่าเมาปลอดภัยจริงๆปลอดภัยไม่มีประเนียจรังไรคือทุรามเอหล่เรียกว่าเป็นเป็นกพาทีห้าท่าเลียนพระกันเอาอย่างนี้นะเอาไปใช้ถึงจะขลัง เดี๋ยวมันจะาคลั่งขึ้นมามือพระสมเด็จโตวัดระฆังยังจะฆ่าสาปอีกหรือไม่มีเมตตาไม่มีทานไม่มีน้ําใจถ้าจะมีเมตตาจะมีสมเด็จโตไว้ทาวําไหมขอฝากไว้นี่เ็นจักพาสีเห็นตมมาเขาลือกันที่แผงพระพระพวงบานเลยนี่คนนี้ก็เป็นบรรเลงอยากพาสีคนน้่งกอดขีไอ้คนน้่งกอดขีไอ้นันผลลงไอ้คนก็เไปไอ้นี้ก็ตาย เนบนจะพักทีแต่คนน่ากินเล่านี่กะเล่นกายพันนานแหมเสียใจเยอเกินเนบนจะพักีฝักไว้ในที่นี้มีความหมายชัดเจนจำหนาะจำเกิดมาทําไมโอ้อนาตว่าพนานิจ่าเอ๋ยชื่อโทเอ๋ยทื่ฉันได้เกิดมาทมาํ า, า, นะ า, ททมาทไมไม่รู้มีแต่เวน้นมีแต่จำเกิดมามีกรรมเกิดมาทําอะไรไม่รู้หลวงพ่อเอ๋ย ฉันมันลายจะหมดเวรหมดกรรมสักทีโยมอยากจะหมดก็ไม่เป็นลายง่ายนิดเดียวเข้าเมนเลยเผาไปเลยหมดเวรหมดกรรมถ้าอยากไม่อยากเผาก็สร้างบุญกุศลสร้างความดีใช้หนี้เขาไปให้หมดเวรหมดกรรมเกิดมาเพื่อเองทั้งเอกต้องใช้เวรใช้กรรมต้องลำบากยากเห็นลําเป็นัจ อยู่ในอรัญญาลาวป่าคือแห่งความสงบคือช้างเผือกมีปัญญาแหลมลึกคือช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองอยู่ในป่าแความสงบมีปัญญาเป็นนักประหลาดราชองค์วีมีปัญญาแหลมลึกคือช้างเผือกปัจจัยนาเทนช้างพะเลสวนมหาราชยุทธวิธีหมาประหลาดตรงพระชนได้เพราะช้างคู่บ้านคู่เมืองเพราะ ทางเพือของร า, าทาท่านใจสงบติดปลาลบถมถอาจจะมีช้างคูบานคูเมืองม่ยะคายเคืองแทนแสนจะคิดาสามารถจะแผงลงฤทธิ์กายเทพเป็นเศรษฐีได้ทุกคนในนาพ้นการวันขนา้างหน้าสิบป่ีเหตุผลที่น่าฟังในวันนี้นี่แน่คือกรรมฐานทำให้คนร่ำรวยสวยดีมามีทีสุกมาสมากมายมีความหมายหลายกระทง ขอเริ่มมีผลประคาถาว่าอดแทนกรรมนี้คือเอามนุษย์มาวิจัยเถ้ามนุษย์คือกุลสมบัตคือสิ่นห้าปานาติปาตาเวลมณีไม่ต้องเอากรรมที่สองมาที่แจงถ้ามาได้ผลมาอย่างนี้ถ้าใครมีคำนวณหกสิปอรเออกมาจากปานาติบาตต้องเป็นอมภ า, าตกองออยเพลียเสียขาขอพาท้องพาไส้พาโน่นผานี่เป็นมะเร็งเป็นลำไส้ แล้วก็เป็นสมวันดรือี่วันไข่ตลอดไปการถ้าติดมา60สิเปเต์ถ้าไม่เจริญกรรมฐานและการที่สองอาทนาฐานติดมาหกสปเนต์ถ้าไม่สร้างบุญกุศลแกร้รับรองคนนั้นถูกโจรกรรมถูกขี้ถูกล่อนถูกไฟในบ้านโดยหมดเนื้อประดาตัวดับเสาแล้วถ้าไม่สร้างบุญกุศลช่วยแก่คือกรรมฐานตาเมศุลมิชาจารติดมาหกสิเปอรเซตรับรองหนึ่งในตหงอู มีสามีกี่คนก็เป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนต้องมีชู้หมดนี่เรื่องจริงที่วิจัยได้ไม่ผิดขาดผิดมาหสิอร์ซ็นตทํไมจะแก้ได้จเจริญธรรมทานอย่างเดียวเท่านั้นมุสาวาส่วาหลอกรวงโลควังเหลาเขาแล้วผิดมาหกสิปเซ็นตขอจเจริญพรว่าต้องโดนหลอกตลอดไ้โดนโกงด้วยอย่าไปเสี ย, จยใจเลยเขาโกงไปฮะเพราะเราโกงเขามาก่อน เพราะฉะนั้นบางคนก็มาบอกอาตมาหลวงพ่อจ้าแล้นโดนโกงไปต้นนั่งเขานี้เพื่อนหากลางเรียนสวนกุหลาบมาดลียการสองแสนก็หมดไปลหนึ่งแสนก็หมดปลายโดนโกงเหลือเกินดีแล้วโยมโดนโกงอดีหน่าเสียเลยบอกหลวงพ่อวันนี้นี่พูดบอกบ้าอย่างนี้โดนโกงอะดีแล้วดียังไงเจ้าคะพูดเสียงแข็งเนี่ยดียังไงหลวงพ่อวันนี้พูดผิดก่อน โดนกองดียังไงดีดีมากที่สุดดียังไงคะดีกว่าไปโกงเขาไปกองเขาดีเหรอให้เขากองที่ดีมีให้เขากงอง่ะดีนะที่นี่มีใครกองมีใครกองไหมไม่มีดีมากอย่าไปโกงเขาอะไรกันมีเหตุผลทุลาเมลยะติดมาหกสิบปเซ็นแล้วมาเพิ่มผลผิกในชีวิตของตนปัจจุบัน รับรองเป็นมิโกนจิตแล้วก็เปผมอัญญาอ่อนลูกหลานในเลนส์ัญญาอ่อนขอฝากไว้ฉันสักถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรหลอกมีเรื่องผ่านแล้ววิธีแก้ทำอย่างไรดีวิธีแก้ทำอย่างไรจะเล่าเรื่องอย่าวิธีแก้ตับไม่เชื่อบุญกุศลแน่นอนที่สดเข้าใจว่าพ่อแม่สร้างเรามาแล้วเราตายศูนย์ ไม่มักเกิดอีกแล้วบุญบาปไม่มีดังที่กล่าวแล้วไม่เสียงยกตัวอย่างเลยในร้อยโทษทหารสูนปืนใหญ่ลบบุรีเมือาา่อประกอบตงมาหนึร้อยมาบวชที่นี่อัศมามาเป็นเจ้าวาดจัวัดนี้สองพันสี่รอยสสิเก้าเป็นคู่ตรวจยังที่จะเป็นอุปชาจะประกันใดของทหารร้อยก็มีนายทหารร้อยโทมาบวชที่นี่ศูนการทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีนี่เองมาบวช ไม่ยอมเชื่อบุญบาปไม่ยอมเชื่อคนแห่งกรรมบอกว่าไม่บุญบาปนี่ท่านผู้หมวดขอเจริญพรขอมิจฉาบาทอย่าไปยุ่งบูยีปูยามกับผู้หญิงยืนเลือขเขาลง้ลงพ่อล้มพี่เขาเรียกตอนนั้นหลุนโยยังเปหลวงพี่อยู่นะเดี๋ยวนี้ไปหลวงพ่อแล้วมันนานสามถึงห้าปีแล้วบอกว่าล้มพี่ผมไม่เชื่อเอาไม่เชื่อมามวดทําไมก็แม่ผมตาติดกว่าแล้ว แม่เขาแม่ผมก็ท่านสอบการอ่าได้ดื่มผมมาบวชที่นี่ไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไร น, นะหมวดมันมีลูกสาวม้างแล้วตายผมมีสองเลยนะครับลูกสาวสองเอาโดทย์เขาจำาไว้เลยนะพอแม่มมกกมกกนเ น, นี่สร้างความไม่ดีกับลูกทําไม่ถูกใว้กับหลานเป็นผลงานของพ่อแม่ที่สร้างมารักให้ถูกวิธีทําความไม่ดีหลุดเป็นอย่างไรขอติดตามฟังต่อไปนี่ไอผลผู้หมวดก็บวชร้อยีส่ส บ, บาทโดนขอบัลลุมดาชามยา ราชาพักดลาบวชในพระพุทธศาสนาไม่เดือนก็ได้ด้วยบวชแล้วไม่เจริญกรรมาฐานไ ม, ไ, มมไม่ทํำให้งหมดบวชแล้วมีชีคีมนะเหลือเกินนี่้อยโททหารไม่ว่ากาันดูซื้อเวรกรรมจะตามสนองหรือไม่ตอนที่อยู่ ร, ร่มปรีปูยีพูยามกูผู้หญิงยังเหลือครับคนโ น, โคนู้นคนนี้ด่ไม่ร่วมเหลือใต้แต่ประการใดคิดว่าบุญเวรกรรมไม่มีขมิ๊อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็เรื่องสี่วัรนี้เองเนะี่ย บวชถึกหาลาเพศบอกจดไว้ผู้หมดไม่มีสาวมั่งแล้วไปในทสุดเขาปรจากไปไปขอบต้องานร้อยไม่เคยกลับมาเลยไปไ ย, ตยตาตะกรุงเทพกรุงคานที่ไหนเราก็ไม่ได้ตามผลเพราะเขาบวดไม่ศรัทธาไมา่ได้วบวช ด, ด้วยศรัทธามาบวช ด, ด้วยแม่ยัเดเยียดมาแม่จะแก่แล้วไปจะตายก็มาบวชให้แม่เถอะนะไม่ดไดเลยไรๆจากการบวชนี้ขอบาขึ้ื่อนอย่างไรไว้ด้วยหน้าทิ้งได้เวลาบวชเยอเกินเกาไม่สนใจ สุดไปแล้วก็มีลูกสาวสามคนมีลูกชายสองเป็นห้าภรรยาไปอาจารย์สอนตุลามหาวใหญ่แล้วก็นในสุดุท้ายเป็นพเนรพิเศษในชั้นสุดท้ายลูกสามคนนั่นสอบหลักสูตรมัธยมหมดแต่เข้ามหาใหย่ไม่ได้แม้แต่คนเดียวเข้าไม่ได้เลยคนเล็กก็เข้าไม่ได้เลือเด็กผู้ชายสองคนกับมังเรียนให้เล่าสู่กันฟังเด้วยซ้อนเว้นตามตามสนองแหะ แล้วสองคนสามมีปยาญาไม่เคยสวมนต์ ว, วทัศนเลยไม่ได้สนใจเรียนอร่อยจอบปลอมมาด้วยไม่สนใจทางพุทธศาสนาด้วยแม่ก็เป็นเป็นช า, ายิกาเป็นอุบาสิกาด้วยรักาสีลจรินบวชแต่ลูกไม่เอาไหนห น, ไหไไนีแม้ว่าเหตุใดเพราลูกหลายคนแต่คนนี้เสเฉงศีงเหล่ามาสุราอุญิงนาฬิศีลาหมัดไปตามเรื่องพวกเ ข, ข, ขาก็าไม่บาตร โรงเรียนไม่เข้าหมหาวิทยาลัยได้เลยในสุดเลิกกรรตามสองเนี่ยแม่เขาก็ไปเป็นสอนโรงเรียนตุลาเลยทํานองนี้มหมาวิทยาแล้วเขาก็เปในพันเอศเลยลูกทำยังไงลูกก็ออกไปร้องเพลงตามหูเด็กกลับมาก็พ่อป้าเจไอแม่ก็ดดาใส่ข้งรองทเท้าเต้นกรรมพ่อนี่สําคัญพาเจลูกนะไม่มีผลเป็นบาปของพ่อ พ อ, อแม่สีลูกเป็นแับนะไม่มีชนนะขอฝากไปด้วยโลูกคิดไม่ดีกับแม่ก็เช้งคิดไม่ดีกับพ่อก็เช้งลองจารนายให้ละเอ็ยดไปใจเห็นชัดธรรมะขึ้นไม่ขึ้นรบโลครูม า, าจารก็ธรรมะขึ้นไม่ขึ้นแน่นอนที่สุดต้อนี้มียกตัวอย่างที่รบรีวิไลครูเทศศรีของอรชิภมาเล่นลูกเสือการมาเล่นลกองไฟแล้วดับพอบอตอยครูตอยครูป่าเปลือก เราบอกอายุภาวาอันตรายต้องเป็นอันตรายเพราะทํำทําร้ายสอบครูของก่อนแต่ครูก็แม้ เ, เรื่องใไนไมิชาเจ็ดมันก็ถูกรถทนตายที่ซาบุนี้เองนี่ชัดเจนมีนอายุภาวะอันตรายต้องไปตามผลถึงจะรู้ได้แล้วเราถึงในพันเอกนี้มีลูกลูกก็เสียหายถทำว่าไปรลองตามฮูเ็นหมดก็เกิดทะเลาะใหญ่กันพ่อแม่ะ แ, แม่พ่อกระตับลูกเอาลางลูกเลย เรือก่อนโ ย, โยนลงทะเลไปปากลูกปากลูกก็ชี้หน้าพ่อเลยพ่อเลยพ่อเอาละดินไม่พบหน้าหนูจะไม่กลับมาบ้านสามคนก็กลับออกจากบ้านไปไปขายตัวอยู่ที่พัรยาบ้างอยู่หุ่น่ะดังที่ตล่าวมาแล้วพ่อแม่ก็เสียใจมาคุยการระหว่างสามีภรรยากับลูกชายเล็กแหมวงศ์สกุลเราไม่เคยมีอย่างนี้เลย ภรรยาก็บอกนั่นสิดิฉันก็ไม่มีอย่างนี้นะก็เสียใจกันจะทำยังไงได้ไอพ่อก็บนเสียใจทำยังไงลูกจะสับได้เลยก็ไปนคนบัญชีนึกถึงอดีตความหลังเช้าความหลังที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตา้งแต่สองพันหร้อยนึกได้ว่าวัดไหนเนาะจำไม่ได้ชัดได้มาบวชสามเดือนนี่ ขนาดจำวัดไม่ได้แล้วมันก็ควรจำแย่ที่สุดเดชที่สุดนะโลกมันถึงได้เดชอย่างจำอุปชาาจาไม่ได้จำโรงเรียนฝึกหัดไม่ได้เลยเอ๊มันวัดอะไรเขาบอกมาอย่างนั้นะนะจําไม่ได้ออ oh, นึกได้ละเอ๊จ ว, <"Hey, S 2> วไปคนขมวดเล่าไปเจอใบสุธิเพราะว่ า, า, าราสิตาลาบวชต้องมีใบสุธิออกมาในรูปแบบนี้ ก็บอกว่ายพรวันก็ไปเจอสมุทิศใบบันทึกหม่หนี้ยลูกษาบ้างอะไรไปนึกได้ก็พากันมาจวนก็จำวันนี้ไม่ได้เลยก็จำไปต้องสามถึงกว่าปีอะไรอย่างนี้นะนี่แนความคิด <c oughs> จากงานก็มาทั้งสองโอนสามีไปยามราบเจแล้วบอกท่านจำผมได้นะครับบอกท่านเป็นใครจําไม่ได้ก็เราจําไม่ได้จริงๆผมลอยโทรนะครับ ถ้าตัวอะไรบอกมาทิ้งมาบวชที่นี่ครับบวชล้างเก่าเนี่ยสอนที่เบกอภัยเยอะแยะแล้วก็มีผมมารถจิบรถแดนมาอข้ามสะพานไม้ที่บางานี่ยงสมัยก่อนไม่มีถนนเอาละเลิกไดาแล้วเรียมาทำไมมารับตสารภาพบาปครับลูกสาผมเสียหมดแล้วจริงอย่างที่ท่านวาเลยเยอะเสียแล้วเสียผมเตะมันทั้งรองเท้าเลยอ้าวท่านบาปไหมเนี่ยเรียจะให้มาทํำไม จะมากราบเรียนปรึกษาดูมาก่อนไหมไ ม, มาล่ะก็ผมไม่เชื่อทีเอาละผมมากราบเรียนปรึกษาเพื่อไม่เสียเวลาจะทํายังไงให้ลูกสาวดีได้ครับนี่วิธีแก้กรรมกรามฐานนี่แก้ทําได้จริงๆแก้อย่างไงเอาละจะเชื่อไหมเนี่ยจะเหมือนมาก่อนไหมมาก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวนี้จะเชื่อไหมถ้าเชื่อว่าตามนะว่าอะไรว่าสามพันแะน่ใครลงรู้ก็ลงนะให้อับพลุนยิงต้องยิงเนะี่ยใครโดดน้าต้องโดดนะ่ะเอา ตกลงยอนตายเอามาเลยคลอด ม, มาเจ็ดวันเจ็ดวันคลอดร้อนมตมอนมผองคนร บ, บุเนีย่ยนั่นกรมรมมาทำแม่จให้ลูกอย่าดาลูกเน่งเขาก็มาโอ้ลิรรมก่อนที่เจ๊ลูกเป็นบาปแล้กวก็อยายาลูกอย่าแข้งลูกเป็นบาปถอนคำพูดเนี่ยเขาฝากไว้ที่ยาลูกแทนลูกองถอนคำพูดก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ผล ไม่ได้พ้นนไม่ใช่ด่าลูกแช่งลูกแล้วก็ไม่เป็นบุญนะไม่ใช่นะปากปิดไปเลยนะลูกเสียหมดนะขอฝากเขาด้วยลองดุสเิาไปแช่งลูกเถะแล้วลูกธรรมะกินไม่ขึ้นนะต้องถอนคำพูดนะต้องถอนฟ้องนะอาปใจผู้ภาษาจะเรียนโยาบานนะก็ถอนฟ้องก่อนเนี้ยบางคนด่าสามีนะ ต้องถอนฟ้องก่อนนะสา ม, ม, ารราาดมีด่าภรรยาก็บาปนะก็โยมผู้หญิงก็ไม่รู้จริงมองทีบ้ามาจะมาไปเห็นเลยโอ้โหรูปรางก็สวยน่าแม่บ้านแบบนั้นทําไมเปลี่ยนหน้าสา ม, มีใช่ไหมนะสา ม, มีไม่สวยยังไงกนไม่ไมีเหตทผนเนี่ยนี่เรื่องจริงที่ประสบมาเลยบอกตอนถอนคำพูดก่อนมาอยู่กรรมฐ า, านต้องถอนคำพูดขอกายการรมแล้วท่าน ดูถูกก็จะมาบอกบุญกุศลไม่มีจริงเป็ น, านะนมาปนะต้องขอละสมาลาโทษต่อรัชนะกัยนี่ที่ทาําอ่ะขอสมาลาโทษก่อนไม่ดูถูกบวชแท้นๆนะอย่างว่าพุทธเจ้าไม่จริงบุญบาปมีจริงพระพุทธเจ้าหลอกนี่เป็นบาปขอสมาลาโทษก่อนไม่งั้นไม่ฉังเลยก็ต้องมีเจียนแพรขอรัชนาสงฆ์อานุโมทนาสงฆ์ขับพะโลให้เสร็จแล้วก็รับกรรมฐานไปอยู่กรรมฐาน ถ้ากรมฐานเสร็จ้นี่ยโหติด ก, กรรมลูกแพ้ไมตตายลูกทุกวันยาแช่งลูกดาลูก่อะไรไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ไปวันที่เจ็ดกลับกลับไปแล้วได้ผลเลยจดไว้เยว่ล่องที่จะหรูอไปอยู่หินบางพัทยามากก็ร้องไห้คิกถึงแม่ชิ่ถึงพ่อทุกวันนี่ด้วยอำนาจเมตตาของพ่อแม่ที่แพ่ไปเขาจะไม่คิดกลับแล้ว เขาบอกดินไม่กลอบหน้าจะไม่กลับแล้วแต่ทำให้คิดถึงพ่อแม่ล่ะแล้วลไม่ถึงบุญคุณก็ เ, เนื่องจากพ่อแม่โหดจิกรรมถอนคาพูดแล้วก็แผ่ไม่ตายลู่โลกจึงคิดถึงหันมุ่งกลับกลับบ้านากลับมาแล้วก็ไม่เคยว่าลูกเลยเรื่องเก่าอย่ารู้พูดเรื่องอื่นอย่าคิดคิดที่ชอบทําห้ามข้าวความหลังเด็ดอีกไม่ขาดเลยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเก่าดีห้ามพูดเรื่องที่ผ่าน ม, มาว่าไปอยู่ไหนไมต่ตถาม แล้วก็พาลูกมาที่นี่จึงรู้เรื่องนี้ชัดเจนถามว่าหนูไปอยู่ยังไงล่ะและ้วทําไมถึงกลับมาละ่ะหนูหมูพูดบอกว่าดินไม่กลอบหน้าจะไม่กลับมาเพื่ออิด้โอโ้โหหลวงพ่อคะหนูนอนไม่หลับคือยัยยงรุ่งเลยสองคืนแล้วร้องไห้ที่ดึงแม่ที่ดึงพ่อนี่เห็นไหมเนี่ยพ่อแม่สามารถแผ่ไม่ต า, ห ย, า, ย, ายหยุดด่ลูกเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนั่งกรรมฐานแล้วแผ่ไม่ตายหยุดดแน่นอนที่สุดนี่ชุดนี้มีเรื่องไร ي. เรื่องที่จะเล่า ให้ฉันฟังจะจะเล่าย่อๆตรงนี้ในวันนี้นะสามารถลูกเจอเลเซ่เสี ย, ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาเยี่ยนเลินม่พ่อแม่สวดมนต์แล้วนั่งกรรมฐานแทนให้ได้ผลเดีย๋ยวนี้เป็นนกเตอ๋อแหละนี่เหตุผลสัสนๆมันมีเหตุผลที่น่าฟังอยู่ขอให้ตั้งใจเถิดก็ได้ความมากลับไปลูกก็ดีขึ้นเลยเอาลูกสามคนมานั่งกรรมฐานเพื่จ็ดวันวันนั่งเจ็ดวันแล้วปั๊บมีสติปัญญาสูง เข้าลานทำแหงสมเร็จปัญญาตรีทุกคนสมเด็จปัญญาตรีทุกคนเนี่ยทำงานเข้างานเนีทุกคนมีผัวด้ดีทุกคนไม่มีผัวดีหมดทุกคนเลยใครอยากอยากรู้ไปได้วยกันคืนนี้ก็ได้ไปบ้านเขาจะจะไปบอกไปไงจะชี้นาชี้ตาให้เขาให้ดูผัวดีหมดทุกคนเลยแล้วได้ผัวรวยสวยเกณฑทุกคนเลยรวยโชยเกณฑทุกคนรวยเรืย เก่งงานเก่งตาไม่ใช่ได้อยู่กับไเก่งมาดาแม่ผัวไม่ใช่ไนปากบุมบิลบุมิเก่งยังยิ่งใช่ไม่ได้ต้องเก่งวิชาการเก่งหลักฐานมีงานทำยังนี้สิขอฝาคนาจารย์เลยทํามีลูกมีหลานได้รวยช่วยเก่งไม่ใช่เก่งแบบที่ว่าโลกให้เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีก่อน สอนลูกให้ดีก่อนแล้วก็ให้ลูกเก่งในสังคมต่อไปก็แบบว่าไม่ใช่เก่งเลยเดี๋ยวลดคนลูกตายหมดนะที่ยังเหตุผลก็ได้ความกรรมาฐานแก้กรรมย่าอย่ากต่อมาอีกข้อหนึ่งสามีเจ้าชู้สามีเล่นการพนันเป็นนายทหารอยู่โรบีแล้วก็ภรรยาซื้อเจ็ดพอมาขอภัยไม่เจ็ในาหารจะได้จการคนเลื้ย ซื้กียรติการทุกข์กลับบ้านตีสองกลับบ้านตีสองทลาะกันทุกวันทลอกกันทุกวันกลัมาทานแก้ได้ไหมแก้ได้ดังต่อไปมีฟังแต่โยมผู้หญิงนี่ไม่มีปัญหาหรอกไม่เป็นไรก็นึกนว่าฟังไว้ไปแก้ให้แก่เพื่อน<ๆ>เพื่อนมาในการเกลื่อนหน้าสงสารเกลื<ๆ>่อนเขาเป็นนะเอาบุญให้การทำไม่คุ้นไม่คุนหัว เคบอกเขาแต่คนนี้เนี่ยเป็นมีปัญหาเลยสามีเนี่ยสมาเห็นหนอแล้วรักกันดีเหลือเกินก็จะทะเลาะกันเลยจะจะดา่า <c oughs> กันยัเฉยนะเลยก็เขาก็มาหาตมาตมาก็บอกว่านี่นะโยมถ้าเชื่อตอมาแกได้นเนี่ยเรารู้เลยสา ม, มีคนนี้ยังไม่เคยบวชบ้านอยู่เชียงใหม่สันปากคอยบ้านเดิมเกิดที่สันปากคอยเชียงใหม่ ยอคอือแล้วเดี๋ยวเดียวรู้จักไม่ได้เดี๋ยว ก, ก็ไปพูดข่าวนาเดี๋ยวก็นะวจะมาฟ้ามวัดเขาบ้านอยู่เช่นนั้นแต่ได้มาก็มีลูกสามคนนะแต่แล้วก็ยังไม่เคยบวชในพระพุทธศาสนามัวแต่ดนินชรายาเมาเร่งการพ น, นันเล่าชู้สู่สาวไปตามเลือดของเขาแต่ยังมีลูกอีกสามคนเลยแม่บา้านจะรับเุตการก็ด้วยความเข้าใจ ้ามีก็กลับดึกเพมันเป็นเมืองทหารลบบุรีทั้งทหารทั้งสังคมต่างๆแสนสีนานาประการมีทั้งอบมีทั้งนวดมันก็แปลกโดยนี่นะคนรักก็แปลกนะอาบน้ำไม่เคยเป็นเพราแกอาบน้ำไม่เป็นต้ไปจ้างเขามันแปลกตรงนี้นะอันนี้พูดเล่นที่สาแก้วมีไปดูได้ลบบุรีมีไหมจาูปภาพมีไหมไม่ก็ไม่ต้องพูดละกรรมายังผ่านไปเลย เห็นหนอยนอนดันเสียบเห็นยิ uh ้งไงเลยไม่ได้เห uh ็นงอกเห็นนายซะด้วยอ่าก็ได้ความออกมาชัดเจนนะเขาก็มาอยู่กรรมฐานบอกว่าโยมเหมือนแผเนี่ยยินเจยิงตามันก็มันจะเป็นแผลตายเอาติดซะเลยอย่าพูดเรื่องเจ้าทูสามีจะเจ้าทูยังไงอย่าพูดห้ามเด็กขาดสามีจะกินเหล้าเล่นกาพนันก็ขอบิณจบาลอย่าพูดถึง ไม่พูดติดแอลกอฮอล์ล้างแผลซะไม่ชาแผลหายไวที่ยิ่งพูดกระจี้เข้าไปมันทำให้เกิดเยื่อเสเจ็บเนื้อแล้วก็มันทำให้อยู่วิสัยของเขาแต่วิธีนี้ไม่ดีแน่ต้องแก้เดี๋ยวเอาความดีเข้าแก่กลับร้ายใจดีมั่งมีที่สุดก็มานั่งคำอาฐานเจ็ดวันนั่งเสร็จแล้วคือสามีเขาไปชอบนางสาววาสนา คนหนึ่งทางานทําานิ่สุรากาศคือนางสาวัสนาก็ชอบกันแล้วก็แผลแม่ตาแผลยังไงชื่อแยกแผลไม่ออกเหมือนกันแผลว่าวัสนาเลยเอาสามีฉันแล้วแผลไปแผลมาพรอนมาตายหัวงไปเลยนี่แผ่อย่างนี้อีกแผลไม่ออกไม่ได้แผลอย่างนี้ไม่ได้แผลไม่ได้ต้องแผลใหม่หัหน้ากรรมฐานแล้ว สามีจากคุณผู้ชายสามีิีฉันเจ้าขาที่ไปชอบแม่วัสนานนะั้นฉันก็อนุมโมทนาขอให้แม่วัสนาอยู่เย็นใจตกกับ ส, สามีฉันด้วยเถิดนี่แพรอย่างนี้จ้แพรได้ไหมอย่างนี้แพรได้ไหมได้ไหมโปรงตกไหมอกหนะเอาโอเคโอเคแล้วยังไม่พอแสงขิ้วแซงขิ้ว นี่แผ่ไปปลงให้มันตก้องให้มันตกจะหันมงกลับเองคนสามีเล่นการพ น, นันเจ้าชู้ ส, สาวออกนอกบ้านไปอย่าติดตามจะไปหองชูส้สาวอย่าติดตามติดตามเยอะให้สามีเจ้าชูกลับมาเองก้องอาตามคนดีเข้าบ้านทิ่งเจ้าชู้นอกบานทิ้งการพ น, นันออกทิ่งชู้าวนอกบ้านคนดีเข้าบ้านหลับเมื่อ ท, ทําไปทีนี้ นายไปพ่อเนี่ยไปไหนมาจับจนตีสองเช้นเธาไม่คิดถึงฉันมั้งือฉันลกสาไม่ยรับข้าวอกเธอนะแล้วว่าไงเย้เฉยได้ไหต้องพูดมีไรอนเลยให้พูดอย่างนี้ได้ไหมตอนที่สามีบอกว่านายไปพอเงียเสือไปไหนมาจนเดินเดินเนี่ยอะไร ต้องทะเลาะกันแน่เนอะเนอะเพราะเพราะอ่ีนเฉย ม, มาโอคุณพี่โอ้โหดิฉันรอแมยิ้มให้คุณพี่เฉยๆสัก ห, หน่อยไม่ยิ้มเลยหน้าไม่ยิ้ม <c oughs> อีกอ๋อนี่เรื่องจริงเท่านากรรมฐานข้อหน้ามาอย่างยี้มครับต้องยิ้มนี่อย่างนี้เหตุผลเล้วผลทายก็มานั่งกรรมฐานสรุปเกณฑ์ความบ อ, อกแผลไม่ตายครับให้สามี แล้วแผ่ให้วาสนาที่เขาชอบกันแผ่หมดเลยแผ่ไปแล้วโปรงตกเลยโปรงตกไม่ติดตามไม่ติดตามอย่าติดตามอย่าติดตามสามีอย่างนี้สามีา ก, ก, ามาก็ช่วยอย่าติดตามมเขาช่เข้าบ้านนี่หันมุ่งกลับเทคนิคอยา่าติดตามคนที่เมาเข้าบ้าอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงอยา่าติดตามอย่างนี้กลับไปบ้านเขาก็ใจโปรงตกแล้วไม่โกรธ สามีแล้วไม่โปรดนางสาววาสนาด้วยเนวันแรกเนี่ยแผลคือยังลุกแผลไม่ออกวาสนาเออทําไมนะหลวงพ่อท่านบอกเธอมีสุกถ้าเธอมาทําอย่างนี้ฉันมีทุกข์เธอหน้าคูรจะตายใช่ฉันก็หาไมอตืนมาหลายวันไม่ได้เนี่ยแผวันนี้ใช้ไม่ได้เนี่จะขอฝากไว้พ็กลองให้จกเลย แม่วัฒนาจะ้ะฉันก็จะเสียสละให้เธอไปเธอจะได้มีความสุขความเจริญกันนะแม่วัฒนานะทำได้ไหมจ๊ะทำได้ไหมได้เมอสาดีมาก ด, ดีดีอย่างนี้ทำถูกแล้วทำถูกแล้วกลับไปเนี่ยนะไปมอบให้เาสาซะ อมอให้เลยอะให้มอเฟเสร็จแล้วฟังนะมอบเสร็จแล้วจะไปทา่ไหนลาออกจากอาจารย์ซะมาอยู่ข้าตัมมาที่นี่เพื่อจะเลื้องแขกนี้ให้เดือน ล, ละสามสิบวันมาเลยผูเรียนนะถ้ามาได้ก็ยินดีนะไม่มีคนไทยคนไทยก็่คยดีนะ โท่ใจความโยมผู้หญิงนี่ก็ไปนั่งไม่พูดวาสามีต่อไปเลยก็ราอ น, นี้หยากันทุกวันคือพูดไลายต่อกันทุกวันมาแล้วขัดคอกันไม่มีความสุขมาสามปีไม่มีความสุขเลยเทะเลาะกันเรื่อยแล้วเขาก็กลับดึกก็ไอ้สมอลสอนทางเรเบรียมันมีเยอะบ้านอย่างก็มาเดี๋ยวไปเชื่อผู้หญิงยิงเดือ แ, แต่ก็เข้าสังคมทหารบ้างสังคมตำรวจบ้าง คำโคมไม่ขวบทุยกิตนะมันก็จำเป็นนกักหลับหลุดบ้างเป็นธรรมดาก็อย่าไปว่าเขาเลยนะโยมนะขบักเนี่ยเลิกพูดถ้าจะแก้จุดไหนอย่าเชิดจุดนะถ้าจะแก้ยังตัวชา้าอย่าไปพูดถ้าจะแก้ผัวขี้เมาอย่าไปพูดขีเมาอย่าไปไปพูดเรื่องอนมาแทนะถ้าจะแก้ผัวเจ้าชู้อย่าไปพูดอย่างนี้ อย่าไปพูดเลยผู้เรื่องอืน่นแทนเยอะแยะไปเรื่องที่จะมีพูดเยอะแยะไม่พูดไม่ชอบแต่พูดถึงเรื่องที่มีเรื่องการไอเรื่อมีเรื่องการไม่ชอบพูดนะพ่อเรื่องอื่นไม่ได้นะฟังหนะ น, น้ากรรมฐานฟังถ้าเราได้กรรมฐานนะฟังนะถ้าเรามีสา ม, มีนะสวยนะไปไหนนะสาวก็ลักไม่ไม่ก็ลัคุณเแต่ก็รัก มันไม่เป็นเกียร์ภรรยาหรือน้าบ่กเป็นเกียร์ภรรยาอย่งางนี้นี่นะกรรมฐานต้องคิดอย่งางนี้ทุกคนอะไรสามีไปคนน้นชอบคนนี้ชอบมาไปหื่นหวงเขาทำไมยัง